ที่มีอยู่ในกายแบบสังญาแบบสังขารแบบวิญญาณ่นต้นแรกตั้งแต่เป็นของนนหนักหนักนังทิ่มแทงหัวใจเราอีกด้วยต้่งเคียมนหนักเฉยๆมันยังมีหนามอันแหลมคมเสียดแทงเข้าม า, าภายาตจิตใจนะพระพุทธเจ้าตังก็ทรงแบบธาตุแบบขันอยู่ถึงแปดสิบพระพันตาแล้ววันนี้ผุ่นงายๆว่โอ๊ยเหลือคนแล้วว่ะ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 การทำของพระพุทธเจ้าที่ประทานเห่นะั้นในบทความย่อสัปปะปัสสะการนังกุศลสู้ปสัมปดาสกิตะประโยชนปานังเอตังพุทธานาสาสนังอววุปาวาโดมุปปคาโตปฏติโมคเฆจะสร้างวารวมัตตนิตาจะผัดตัดนิปพันตัญจะสียนาสนังอธิกิเตจะอายโยโกเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นพระโอวาทที่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 คงจะสารเปลให้พวกเราที่ได้ซ้ําไปสานเปลให้นอนอยู่สบายสบายเถอะเราทําทางลัดทางตรงให้แล้วหาหมอนมานอนเลยเถอะให้สบายเลยต้องไปทําอะไรทั้งหมดแหละถ้าอาวาอัตอย่างนี้ก็จะมีขึ้นมาหมายานอนอยู่เปรสบายเถอะเปรเราก็ทําให้เรียบร้อยแล้ว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 จะไปกล่าวร้ายผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดีอันดุบคาโตอย่าค่าอย่าทำลายหรือทำร้ายจัตถุมนุษย์เนี่ยไม่ดีปาติโมเขจือสังวโรให้สั้งรวมอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่จะเป็นเครื่องตอดถอนกิเลสเนี่ยมัตตัญิตาจพะพัดตัดสมิงมรู้จับประมาณในการหยุด การกินดู่ปูวายด้ให้พุ่งพวยเป็นผลเหตุเกินผลถ้านังปฏิบัติสอนอย่างนั้นหรือจัดประมาณป <c oughs> ัญจจกเสนาสนั่งแสวงหาที่นั่งที่นอนอันสงัดเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อความวิเวก น, นั้นนั้นอธิจิตเตะายโยโ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 หความนับกิดชอบในสมมุติทั้งปวงไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยตรงนี้เรียกเหมือโลกโลกก็คือสมมุตินั่นเองสมมุติน้อยใหญ่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นสามโลกคือโลกของความสมมตุติของความเสียสันของความแปรปรวนโลกแห่งอ น, นิจจังทุกขาา์ของหน้าตาซึ่งเป็นโลกก่อความวุ่นวายให้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 ธรรมนี้เป็นเครื่องกลางวานอยู่ในความจรินที่พระองค์สอนไว้ทุกแห่งทุกคนถ้าเราได้น้อมประพฤติปฏิบัติด้วยความซึ้งใจในธรรมบทนี้แล้วก็จะมาทําเหล่านั้นก็จะมากังวานอยู่ภาย จ, จิตใจของเราร่วมต้นก็จะกลางวานอยู่ในความสงบร่มเย็นภายในจิตใจด้วยสมาธิเป็นขั้นๆแล้วก็จะกังวานอยู่ด้วยปัญญาความคิดค้น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 ผูประคันเนืธนาขันธนาขันทั้งขานขันเนี่ยมันก็มีเท่านี้แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ธงกิตที่ยึดที่ยึดที่ถือแผนดินทั้งแผนมันก็ไม่ไปยึดมันมายึดเอาตรงนี้เรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องหนักอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องร้อนเป็นฟูนเป็นไฟเผาจิตใจก็คือธรรมชาติอันนี้ไฟที่ไหนมันก็ไม่ไหม้มันไม่หมุน ไฟกิเลดทันหาสวะซึ่งมีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจเผาที่ตรงนี้จึงต้องน้วิตย์ออกน้ำท่วมนี้เราเินได้ยินแต่น้ำท่วมปอดหมอฉีดหรือสูบออกช่วยน้ำกิเลดทันหาสะวะมันท่วมจะเอาอะไรมาสูบดูดออกละ่ะ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 ถอนมันไปหมดถ อ, ถอนเราออกจากรูปจากกายจากธาตุดินจากทานาน้นถานลมธาตุไฟนี้ถอนจิตของเราออกจากทุกเวทนาที่ขับใจว่ า, าเป็นตนนี้รูปถอนออกจากระรูปนี้ที่ถือว่าเป็นตนนี้ถอนอรกจาเวทนาที่ถือว่าเป็นตนนี้เป็นเรานี้ ถอนออกจากสัญญาทั้งขาหนญญาณที่ถือว่าเป็นเราเป็นของเรานี้ออกพยายามถอดถอนตรงนี้ด้วยปัญญา <c oughs> อาให้ทันจิตเป็นของละเอียดรอเป็นของยิเสดยิโสธาตขันน้อยนี้ยิเศดยิโสอะไรถึงเจอแดกกไปหามเขากระยุบ ไ, ไปถือเขาถ้าไม่ใช่เราโง่ถ้าเป็นภูมิถึงไปยอมแดกสิ่งที่ยายาห่า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 การแก้กิเลสก็ต้องแก้โดยสีสมาธิปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราด้วยกันมันจะห่างเหินกันที่ไหนไม่ได้หางนี่แก้ให้ถูกจุดเธอะพ้นได้ด้วยกันทั้งนั้นนถึงสว่างสวัยที่สุดเบิกออกตรงไหนมันจิตเขาติดกำบังใจมันมีขุ่นมีมัวตรงไหนจ่อปัญญาลงไปนั้นจ่อสติลงไปตรงนั้น